ของวัดปิตุลาทิราชรังศฤษดิ์หรือว่าวัดเมืองสําหรับชาวเมืองฉะเชิงเซายุคเก่าอาจจะยังอยู่ในความทรงจํานะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นคนรุ่นใหม่แล้วจะไม่ค่อยรู้จักมากนักทั้งทังที่วัดเมืองแห่งนี้เคยรุ่งเรืองเฟื่องฟูในฐานะวัดประจําเมืองฉะเชิงเซาเจริญกว่าวัดพระพุทธโสธรค่ะซึ่งปัจจุบันกลายเป็นวัดประจําเมือง8ริ้วอันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหลวงพ่อพระพุทธโสธรพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจําจังหวัด มีผู้คนจากทั่วทุกสารทิศพากันมานมาสัส ก, การอย่างเนืองแน่นตลอดปีไม่ว่าจะเป็นเทศกาลนมสัส ก, การงานประจำปีของหลวงพ่อหรือไม่ก็ตามย้อนหลังขึ้นไปในแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาเจสดาบดินรัชกาลที่สามแห่งกรุงรัตนโกสินทร์แผ่นดินของพระองค์มีการค้าขายกันกับต่างประเทศเป็นหลัก มีการแต่งสัมภาร์นำสินค้าจากประเทศไทยไปยังประเทศจีนและมีการขนสินค้ากับเงินตราจากประเทศจีนกลับมาที่ประเทศไทยนอกจากนั้นนะคะยังได้มีการติดต่อค้าขายกันกับยุโรปโดยเฉพาะอังกฤษค่ะซึ่งได้เข้ามาทําสัญญาที่เรียกกันว่าสัญญาเบลริงนะคะโดยเซอร์จอห์นเบลริงผู้แทนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าวิคตอเรียเป็นผู้ลงนามในสัญญาซึ่งตอนนั้นอังกฤษ กำลังออกล่าเมืองขึ้นในอุตสาคเนย์อย่างเอาเป็นเอาตายค่ะ ระบาดสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีสายพระเนตรยาวไกลก็ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างค่ายประตูเมืองด้านที่ติดกับทะเลเพื่อเป็นการป้องกันการบุกรุกอธิปไตยของต่างประเทศโดยจัดงบประมาณแผ่นดินซ่อมแซมป้อมประการเดิมให้มั่นคงแล้วก็สร้างป้อมประการใหม่เช่นค่ายเนินวงเมืองจันทบุรีนะคะแล้วก็กำแพงเมืองฉะเชิงเซาซึ่งเป็นเมืองที่ติดกันกับปากอ่าวอันเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางทะเลค่ะ ในปีพุทธศักราช 2,377 ก็ทรงมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กรมหลวงรักอรณเรศหรือว่าหม่อมไกรสอนค่ะอันมีพระราชฐานะเป็นพระปิตุลาหรือว่าลุงของพระองค์เป็นแม่กองควบคุมการสร้างกำแพงเมืองและก็ประตูเมืองฉะเชิงสซาให้มั่นคงแข็งแรงซึ่งปัจจุบันก็ยังปรากฏแนวกำแพงเมืองเก่าอยู่ในบริเวณที่อยู่ไม่ห่างจากวัดปิตุลามากนักนะคะ การสร้างกำแพงเมืองแล้วก็ประตูเมืองคราวนี้เพื่อยับยั้งการรุกรานของศัตรูจากด้านที่ติดกับทะเลนั่นเองค่ะโดยกรมหลวงรักอรณเรศเมื่อสร้างกำแพงเมืองก็แล้วก็ประตูเมืองสําเร็จแล้วก็ขอพระราชทานพระบรมราชานุ ญ, ญาตสร้างวัดขึ้นซึ่งอยู่ใกล้กันกับกำแพงเมืองแล้วก็ประตูเมืองเป็นหลักของเมืองฉะเชิงเราซึ่งสมัยนั้นบริเวณนั้นเป็นใจกลางเมือง8ปริ้วเลยทีเดียวค่ะ วัดที่สร้างก็เรียกกันติดปากชาวบ้านชาวเมืองว่าวัดเมืองหากแต่ว่าทางราชการได้ให้นามว่าวัดปิตุลาค่ะเป็นวัดที่เจริญรุ่งเรืองแล้วก็เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปว่าเป็นวัดประจําเมืองฉะเชิงเซามีการสร้างโบสถ์แล้วก็วิหารขึ้นเป็นหลักของวัดแล้วก็เป็นที่ศักดิ์สของประชาชนพลเมืองที่จะยึดเป็นที่พึ่งทางใจเวลามีเรื่องเดือดร้อนขึ้นมา ต่อมาก็ได้มีการตั้งเจ้าเมืองมาปกครองดูแลต่างพระเนธพระกันตลอดมาแต่แล้วก็เกิดเรื่องใหญ่ขึ้นที่เมืองฉะเชิงเราเมื่ออั้งยี่นะคะที่มีก๊กใหญ่อยู่ที่เมืองชนบุรีหรือบางปลาส้อยได้มีกำลังกล้าแข็งค่ะพวกตัวเฮียของอั้งยี่ก็ต้องการแผ่อำนาจลงมายัางฉะเชิงเราซึ่งมีชาวจีนแล้วก็ชาวไทยเชื้อสายจีนทามาหากินอยู่อย่างหนาแน่น เพื่อเรียกเก็บค่าคุ้มครองหรือภาษีเถื่อนแข่ง ก, กันกับทางการตัวเฮียส่งตัวแทนมาซ่องสุมผู้คนในตัวเมืองอย่างเงียบๆโดยมีการสนับสนุนอาวุธยุโทโธปกรณ์จากอั้งยี่บางปลาส้อยเจ้าเมืองฉะเชิงเซาตอนนั้นก็ได้นำกำลังเข้าปราบปรามจนการซ่องสมผู้คนของอั้งยี่ไม่อาจทำได้ต่อไปต้องแต่กระสาบสั้นเซ็นเปคนละทิศคนละทางนะคะ ตัวการใหญ่นี้กลับไปบางปลาส้อยค่ะแล้วก็ได้นากําลังจากบางปลาส้อยแล้วก็พวกที่แตกหนีไปจากการกวาดล้างของเจ้าเมืองบุกเข้ามาที่จวนเจ้าเมืองตอนกลางคืนเจ้าเมืองกับทหารคู่ใจก็เลยรวมกําลังกันต่อสู้อังยี่อย่างสุดกําลัง รันรุ่งเช้าจวนก็แตกนะคะเจ้าเมืองสละชีวิตในที่รบพร้อมกับทหารศพเจ้าเมืองถูกตัดศีรษะมาประจานเป็นการข่มขวัญชาวเมืองคนของตัวเฮียจากบางปลาส้อยยึดจวนเจ้าเมืองไว้ในกามือประกาศแยกตัวออกเป็นอาณาจักรอั้งยี่ เมื่อความทราบถึงพระกันของพระบาทสมเด็จพระนังางเจ้าอยู่หัวจึงปลดเกล้าปล ด, ปล ด, ปล ด, ปลดกระหม่อมให้ยกกองทัพหลวงพร้อมด้วยศาสตราวุธครบมือทั้งทางน้ำและทางบกไปรวมตัวกันที่ในเมืองฉะเชิงเซาค่ะศึกกวาดล้างขบวอั้งยี่ก็เกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2391โดยฝ่ายอัง้งยี่เข้ายึดวัดเมืองเป็นป้อมปราการสุดท้าย เพือยันทับของทางบางกอกแล้วก็รอกําลังสนับสนุนจากบางปลาส้อยของตัวเฮียกองทัพหลวงมีอาวุธที่เหนือกว่าค่ะทั้งอาวุธปืนใหญ่แล้วก็ปืนเล็กที่มีสมรรถนะสูงสามารถตีกําลังส่วนหน้าของอั้งยี่แตกถอยร่นเข้าไปประกาศสู้ตายอยู่ในบริเวณวัดเมืองโดยล้อมวัดไว้อย่างแน่นหนาการต่อสู้ระหว่างอั้งยี่กับทหารหลวงยืดเยื้ออยู่หลายวันต่างฝ่ายต่างสูญเสียกําลังคนไปเป็นอันมาก ที่สุดก็ต้องมีการยิงปืนใหญ่ถล่มที่มั่นของอั้งยี่ในวัดและบุกเข้าตีอย่างแตกหักรบพุ่งถึงประสิตตัวนะคะอังยี่ก็สู้ตายถวายหัวละค่ะทีนี้พร้อมกับจุดไฟเผาบ้านเมืองแล้วก็วัดเมืองเพื่อยันกองทัพ บ, บางกอกไว้ให้ได้ ประวัติศาสตร์เมืองฉะเชิงเซาได้ระบุไว้นะคะว่าอั้งยี่แตกพ่ายในที่สุดที่บาดเจ็บล้มตายก็มากมายที่รอดชีวิตถูกจับเป็นเฉลยก็เยอะแยะทรงมีพระบรมราชองค์การผ่านเกล้าให้ประกาศนะคะว่าอันการกระทําของอั้งยี่คราวนี้เป็นขบฏต่อแผ่นดินและยังกระทําการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพด้วยการตัดศีรษะเจ้าเมืองอันเป็นตัวแทนต่างประเตรพระกรันให้มาปกครองเมือง เอาศรีรษะมาเสียบประจานให้ลงโทษประหารเฉลยทุกคนและผู้ให้ความร่วมมือทั้งหมดพร้อมทั้งให้ไล่ตามจับกลุ่มอัางยี่ที่หนีตายจากฉะเชิงเซาไปอยู่ที่บางปลาส้อยกลับมาประหารชีวิตทั้งหมดตัวเฮียเองค่ะก็ต้องขึ้นสัมภารพร้อมด้วยลูกเมียและสมบัติกลับเมืองจีนหนีราชอาญาเอาตัวรอดไปบรรดาผู้ที่อยู่ก็ถูกจับกุมแล้วก็สอบสวนนำตัวไปรับโทษตามกรรมตามวาระที่ตัวเองได้กระทามานะคะ การประหารอังยี่ที่ถูกจับเป็นเฉลยที่มอบตัวและที่บาดเจ็บรักษาจนหายทำกันอย่างต่อเนื่องพออรุณรุ่งก็เบิกตัวนักโทษมาประหารมัดติดกับหลักประหารบริเวณโคนต้นจันทร์ใหญ่คู่วัดทั้งเสียงร้องไห้เสียงร้องขอชีวิต เสียงร้องเสียงเคี้ยนตีเสียงการฉุดกระชากลากตัวนักโทษมาขึ้นหลักประหารดังน่าสยดสยองหัวแล้วหัวเล่าเลือดสาดกระจายแดงฉานจากสิบเป็นร้อยและหลายร้อยเรียกว่าเพชฌฆาตได้ต้องผัดเปลี่ยนกันลงดาบเลือดเกอะกลางแดนประหารในวัดเมืองส่งกลิ่นข้าวคุ้ง ศพที่หัวขาดก็ถูกนาไปฝังแบบศพไรญาติค่ะเพราะว่าไม่มีใครมาขอรับศพด้วยเกรงว่าจะถูกประหารตามไปด้วยข้อหาสมรู้ร่วมคิดก็เลยต้องปล่อยให้พ่อกับแม่ลูกแล้วก็ญาติของตัวเองถูกกุดหัวต่อหน้าต่อตารอบวัดเมืองก็คือสุสานที่ฝังร่างของอั้งยี่ที่ตายในการสู้รบและถูกประหารตายโหงในลักษณะของการถูกตัดศีรษะ อารมณ์อยู่ในความแค้นความกลัวความอาฆาตพยาบาทก็ย่อมไม่สงบนะคะเพราะว่าความตายแบบผิดปกติธรรมดาวิญญาณก็เลยไปไหนไม่ได้ค่ะแต่ว่าอยู่ในบริเวณวัดแล้วก็รอบบริเวณวัดได้นะคะวัดเมืองหลังจากกลายเป็นสมรภูมิการต่อสู้นองเลือดของอั้งยี่กับทหารหลวงแล้ว ก็ถูกอั้งยี่เผาส่วนหนึ่งก็ถูกลูกหลงจากกระสุนปืนใหญ่น้อยจนชํำรุดสุดโสมแต่ก็ยังไม่ทันที่กรมหมลวงรักรณเรศจะขอพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จากงบประมาณแผ่นดินมาบุรณะวัดเมืองพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวก็เสด็จสวรรคตซะก่อนซึ่งภายหลังผลัดแผ่นดินใหม่อานาจของกรมหลวงรักรณเรศก็ลดน้อยถอยลงไป จึงทำให้มิอาจจะกระทาการอันใดได้ดังสมประสงค์ก็เลยบุรณะวัดด้วยกำลังทรัพย์ของตนเองแบบค่อยเป็นค่อยไปค่ะซึ่งต่อมาไม่ช้าไม่นานกรมมาหลวงรักรณเรศก็ต้องมาพระราชอาญาในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ประหารด้วยการใช้ท่อนจันทุบที่พระนาพีจนสิ้นชีพิตัสาย อันเป็นการประหารชีวิตเชื้อพระวง์ครั้งสุดท้ายในแผ่นดินกรุงรัตนโกสินทร์วัดเมืองก็เลยชำรุดทรุดโทรมขาดการทนุบำรุงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะคะ วัดเมืองจึงกลายเป็นวัดผีดุค่ะไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้พอค่ำลงก็จะมีผู้พบเห็นอั้งยี่จีนเลือดเต็มตัวเดินหิ้วหัวตัวเองบ้างเดินแขนขาดขาขาดเดินไส้ไหลเป็นที่น่าสะพรึงกลัวของชาวบ้านทั่วไปเหมือนกับจะบอกผู้คนว่าอดอยากหิวโหยไรส่วนบุญส่วนกุศล แต่ว่าขณะเดียวกันคนสมัยนั้นก็จะบอกลูกหลานว่าแม้แต่เครื่องเส้นไหว้ตามประเพณีจีนก็ไม่มีใครกล้าเอามาเส้นไหว้ที่วัดเมืองเพราะว่ากลัวจะถูกจับจึงยิ่งทําให้วิญญาณเหล่านั้นเนี่ยหิวโหวยแล้วก็อรารวาสมากขึ้นอุบาสิการายหนึ่งค่ะที่อยู่หลังวัดเมืองได้เล่าให้ฟังนะคะว่าเมื่อ ย, ยังเป็นเด็กไว้ผมเปียก๋งเคยพามาเที่ยวในวัดเมืองชี้ให้ดูหลักประหารแล้วก็บอกว่าเคยใช้ประหารคนมามาก แล้วก็เจ้าเมืองยุคต่อมาจะประหารชีวิตใครก็มักจะใช้วัดเนี่ยเป็นแดนประหารเพราะว่าสงัดผู้คนทำให้ที่วัดนี้ผีดุมากหลอกหลอนผู้คนจนเวลาเพียงทุ่มเดียววัดเมืองก็ได้ผู้คนสัญจรผ่านเหมือนเป็นวัดร้างนะคะ ครั้นต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2450ปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปิยะมหาราชพระราชดำเนินมายังวัดเมืองเพื่อตรวจวัดแล้วก็พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ซ่อมวัดขึ้นมาจนมีสภาพดีคืนดังเดิมพร้อมพระราชทานพระประมาภิไทยย่อจอปรประดับไว้ที่หน้าบันพระอุโบสถเป็นสำคัญค่ะแล้วก็ส่งพระราชทานนำวัดสมัยว่าวัดปีตุลาธิราช ร, างรังศฤิ์นะคะ กิติศัพท์ความเหี้ยนของวัดอัง้งยี่เล่าลืออย่างไม่หยุดยั้งร้อนถึงสมาคมจีนในจังหวัดฉะเชิงเศาต้องทำพิธีปลดปล่อยวิญญาณอั้งยี่ที่ทนทุกข์ทรมานออกไปเกิดจึงจัดพิธีล้างป่าช้าขึ้นที่วัดเมืองสองครั้งโดยครั้งแรกได้เขียนชื่อปักธงแล้วก็ได้ทำการขุดนำเอาโครงกระดูกขึ้นมาทาพิธีปรากฏนะคะว่าพบหลักฐานยืนยันถึงเรื่องราวการประหารชีวิตนักโทษที่เป็นอั้งยี่ชัดเจนมาก หลายศพขุดพบพร้อมโซ่ตรวนเครื่องพันธนาการหลายศพนะคะไม่พบบริบูรณ์ศีรษะหายอวัยวะเช่นแขนขาหายไปอันแสดงให้เห็นว่าเป็นศพที่ตายในระหว่างการสู้รบแล้วก็ยังคงพบเครื่องประดับเช่นแหวนหยกป้ายหยกที่ติดตัวอยู่ในสภาพชำรุด ทุกศพก็ถูกนำมาล้างทำความสะอาดนำไปประกอบพิธีทางจีนเพื่อส่งวิญญาณโดยมีชาวจีนสกุลแท่ต่างๆทางที่อยู่เมืองชนบุรีและก็อยู่ฉะเชิงเรามาร่วมเป็นเจ้าภาพกันมากมายค่ะหลังจากการล้างป่าช้าครั้งแรกสิ้นสุดลงความเี้ยนของผีวัดเมืองก็ไม่หายไปนะคะสมาคมจีนก็เลยต้องจัดพิธีล้างป่าช้าครั้งที่2ขึ้นโดยเปลี่ยนองเซียนซือใหม่ คราวนี้ขุดแบบถอนรากถอนโคนแล้วก็ประกอบพิธีแบบจีนที่ถูกต้องความเฮี้ยนก็ค่อยๆหมดไปแต่ก็ยังคงมีการหลอกหลอนอยู่ที่แถบต้นจันทร์อันเป็นที่ตั้งของหลักประหารการไปทรงเจ้าบอกก็ชัดเจนค่ะว่าวิญญาณหลายดวงยังคงสิงอยู่กับหลักประหารหากต้องการให้สงบต้องประกอบพิธีขุดเอาหลักประหารขึ้นมาจากดินแม้จะได้ไม่ทั้งหมดก็ให้มากที่สุด หลังจากขุดแล้วก็ให้ทำพิธีให้ถูกต้องสะกดวิญญาณแล้วก็เอาปรับพื้นที่ทั้งหมดให้เสมอกันเทปูลปิดทับรอยหลักประหารให้หมดอาถรรพ์ต่างๆก็จะหมดไปนะคะหลังจากนั้นก็มีการบูรณะวัดขึ้นมาใหม่โดยบางส่วนกรมศิลปากรมาสำรวจแล้วก็ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของจังหวัดฉะเชิงเซาแม้ความเจริญจะแผเข้ามาแต่ว่าความวังเวงและก็ความน่ากลัวในอดีตของวัดเมืองก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมค่ะ ค่าแล้วก็ไม่ค่อยจะมีใครมาเพ่นผ่านส่วนสําหรับสารเจ้าพ่อไกรสอนหรือว่าสารเจ้าพ่อกรมมาหลวงรักรณเรศนั้นมีผู้มาสร้างสารพร้อมรูปหล่อในชุดแม่ทัพของท่านเพื่อให้ประชาชนได้มาสักการะในฐานะที่ท่านได้สร้างวัดนี้ขึ้นถือว่าเป็นเจ้าวัดหรือว่าเจ้าพ่อก็ได้ค่ะคนก็มาบนบานสารกล่าวก็พบกับความสําเร็จเป็นที่เล่าลือเหมือนกันถือว่าเป็นสารเจ้าที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งของเมืองฉะเชิงเซาเลยก็ว่าได้นะคะ ส่วนต้นจันคู่วัดนะคะก็มีผู้นำรูปหล่อท่านชีโวโกโกมารพัฒมาตั้งไว้เป็นที่สักการะแก้เคล็ดเพราะที่นั่นเคยเป็นที่ประหารคนแต่ว่าท่านชีวกท่านเป็นหมอที่ช่วยชีวิตคนซึ่งแม้กระนั้นความเฮี้ยนก็ยังคงเล่าลือกันมาจนถึงทุกวันนี้ต่อมาเมื่อไม่นานมานี้ก็ได้มีการพัฒนาวัดมีการประดับไฟฟ้าจึงต้องมีการเดินสายไฟมาที่ต้นจันการจะโยงสายไฟมาประดับต้นจัน ต้องตอกตะปูเพื่อทำเป็นตะขอยึดสายไฟคาราวาสแล้วก็พระเนนกเกี่ยงกันล่ะค่ะไม่มีใครกล้าไปตอกตะปูท่านพระภิกษุวิโรธท้าวระธรรมโมพระลูกวัดเมืองเผยความเฮี้ยนของต้นจันทร์ที่ท่านพบด้วยตัวเองค่ะว่านึกในใจว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเราเป็นพระจะขึ้นไปตอกเองจึงบอกเอาตะปูกับค้อนแล้วก็บันไดมาด้วยจะขึ้นไปตอกเอง พอฉันตอกตะปูลงไปก็ตอกยากเปลี่ยนตะปูหลายตัวจนในที่สุดฉันก็ตอกจนได้พอแขวนสายไฟเสร็จก็ลงมาเหยียบพื้นก็เกิดอาการชาจากไกลนิ้วมือมาจนถึงหัวไหล่แล้วก็ชามากขึ้นจนขยับแขนไม่ได้ฉันก็เลยสำรวมเข้าที่นึกในใจว่าอาตมาเป็นพระต้องการพัฒนาวัด ต อ, อกตะปูไปถูกโยมเข้าหากทำให้เจ็บปวดก็ต้องขออภยัยขอแผ่เมตตาให้ด้วยทานศีลและก็วัดปฏิบัติหากโยมแสดงอภินิหารก็ถอนออกไปซะพอแผ่เมตตาเสร็จปุ๊บอาการชาจากหัวไหล่ก็ลงมาที่ปลายมือแล้วก็หายไปไม่ทิ้งร่องรอยว่าเคยชามาก่อน นี่คืออีกหนึ่งตำนานความเฮี้ยนที่เกิดขึ้นที่วัดเมืองจังหวัดฉะเชิงเศาวนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังมีเรื่องราวตำนานความเฮี้ยนหรือว่าเรื่องราวตำนานต่างๆที่ต้องการจะให้บีเล่าในช่องพระเจอผีก็สามารถส่งมาได้ที่ Facebook Fanpage นะคะที่ w w w f a c e b o o k ว็บ เจอผีได้เลยนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการของเราในวันนี้หมดเวลาของบีแล้วล่ะค่ะถ้าหากว่าบีอ่านผิดหรือว่าเล่าผิดประการใดต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยวันนี้ขอตัวก่อนพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีค่ะ